นี่หนีนั่งหลวงปู่มันนางของพระพุทธรูปนอนของพระพุทธลูกพ้ น, รพนกรบโงนอนน่งสันเขานางสันเข่าเป็นหลังในพุทธรูพ้นกรบเาเห็ดกินทั้งขาไงพเห็ดต้องนั่งหนึ่งเลี่ยงมาท่านอื่นตากผ่าซื้อพระพุทธรูกพ้นกรบโตากหลวงปู่มันพ้นทั้งหลาย้าพาวาส ร, ราห์หลวงปู่มันรา์สัมจังหงันทันคนมัวมีพระพุทธรูป ซ า, าลาโรงอโวสดคนจังมีเอาพระพุทธลูกไปให้ยังสัมผัสประท่านนะั่นกับพระประท่านกับแม้นสกับแม้นพระประท่านวันโตคาสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นประท่านนู้นโบเรียรเตือนเนี่ยคนวะไม่เหตกันหม่รอกท่านลงสันเขาพุทธที่มีพระพุทธรูปปรรกล่ล ง, ปลงปูมันว่าทรงสรรเสริญนี่เข้าเชื่มาเห็ดสองแทนเ่พระนั่งสูงกวนเนี่ยวันนี้ก็นั่งเม่ได้เลยอาอสมุระง่ากับินท่านสันเข้ามาเหสองแถวนี่ สรมานั่งคงพุสรุของถมันก็บามากันตรงเรียงบโยพีว่าสั่งกัเรียงบอยุนแน่เรียงโยผี่นกล า, างานจงให้ง่ายถึยยยพวพุทธสรุปหัอยเี่เราจะไปนั่งโคงแอบกินกระเพิ่นมันวัถุประเสริมหลวงปู่หมันพันเทศเท่าบรได้เอาลองในชี่ว่าประวัติเท่าถ้าเอาลงในทีว่าประวัติเท่ามันตำมัดทุกประเทศไทยราหั่กโมโหสร้างเท่าก็ปลงสร้างเาเพาแห้งอะ ต้งเขียนต้องแนวัดิเาหันเรื่องขาพระธิกิดมื่อข้าพระิคิดก็พุ่มันตัวกับเอาไว้น่าน้าพระธิกิดของพระขาพระิิดของพระกรรมฐานบางคเอาไว้น่านเพราะาจะขูดจะเกาเขาอย่งเขาสั่เขาป้ามาให้บวชลวตัวคนว่างของสัตว์ภาษาในวุฒิบกพะล่านิพพานก่อนพระพุทธเจ้าพระกพะลานี่พานโยกาละทีล่าขางผู้เขาขิ้จะูด พระชายาบุตรปเรศนิพานอยู่หอประสูติแม่มั่นดาอขาเทีเ่ยวซุบไปจักมือกบมี่ในตำนานพระไตรปิฎกพระราหุลไปปรเรศนิพานแม่ดาวดึงเทียวบดดาเข้าไปม่วนพระใสมาเขาเอาของทีดมาเลียงผ้าอยู่จักมือกบมี่ในตำนานสุดกระเพียงนั้นรอแค่นั้น น้าผีผ้าวันนี้นี่ผ้าก้อนพระองค์เก้าแต่เล่าพระองค์เก้านี่ผ้าพระองค์เก้าเก็บครบน้าผีผ้าไว้จักมือกับโมมี่โมมี่นี่ผาแต่เปรอกนั่นเมืองเขตตะวันมหาวิหารน่ะถือเผาพระเผาเนี่ยเนี่ยว่ามีกระเว้นเงินซ่อยข่ประขาดจักเถื่อเขตตะวันเขตตะวันมันดป่าวัดป่าวัดป่าเขตตะวัน มหาวิหารนี่ะมันเป็นหารใหญ่มันเป็นซุ้มท่าของพระพระพุทธเจ้าอยู่หันหลายปรมูในพสูตรจึงหวะสาวัตีย่งสวิษสาวัตถีย่งเปนส่วนว่าสาวิษฐียงวิหารติวิชันเป็นมหาวิหารใหญ่พระเขตตะวันเศรษฐีนี่นเศรษฐีในเมืองนี่น ั น, น, น้าท้าเป็นที่เกษตรที น, นสร้างนัดยี่สี่ิบห้าโกดสร้างวัดกระเป๋าเดียวม่ได้แพ้ผู้ใดไ่ได้แพ้่องเขาส่องเขียวคือห่าอันนี้ก็ไ่ได้แพ้แลนี่ก็่องเขาส่องเียวอคือสี่ิบหาโกดวัสร้างกระเป๋าเดียววัดสี่สิบหาโกดบุพพาราม นั่งวิสาขาเนะ่ามือกเก่าโกดนั่งวิสาขานะ่มือหนึ่งเนปะวัด3เถื่อ4เถื่อนั่งมึงเศร้าไปแต่เศรา้าไปขันอย่างันไปถวายพระปูไว้ไปเฝ้เ า, เาเอาอาหารไปถวายพระผู้สิบไปขรังหน้าเดี๋ยวว่าขามิยาพัด พัดเจ็เรือนท่าไกลพราสิปายุทธ์ทางนาอัพท่าพัดพัดพูเจเรือนท่าไกลนั่งสาขาไปถวายนั่งสาขาเป็นพระโสดาบันเนี่ยไปวัดมือได้สามเทื่ยวสี่เที่ยวหนึ่อเพื่อสิอะไรแต่ท่านเจียมท่านตาเขาพระภูปิเช้าเข้าพาะันทรวพ่อป่วยไม่เทไร ผู้ปฏิวัติพระป่วยไม่สละไหลน่นางวิชาขาต้างเป็นผู้หุงจับทอดตะเวนเทียงมาเทียงหนึ่ง่อดตะเวนบ่ายมาเทียงมาเบิงเยี่ยมเบิงพระไข่พระป่วยมีบริวารมาพร้อมน่างวิสาขาเ ป, เป็นพระสสดา์บันพระ อ, องค์เก้าก็คุนเชืยงน่างวิสาขาหลายกระโม่มีหนอกวิ่งหนพระ อ, องค์เก่าถือเป็นบุคคล อยู่ว so well. ่าพระพุทธเก้า <precurs> น <or> ่ะเอียงเมนเราก็นั่งสาขาพระองค์เจ้าก็บอกเนีนึอกพระพุทธสนทน้พระพุทธเจ้าบอกเนนึงนั่งิ่งสาขาเป็นพระสวัดบานี่พระสดบาลได้เกีุณแต่หาไมีลูกแต่ออกมาตั้งยี่สิบคุลูกกี่ยี่สิบหลานก็2ยี่สิเปล้นก็่ยี่สิบนั่งในสาขาไม่อายุยื่นลอยยี่สปีนั่งันสาขาถ้าเข้าตูกันว่าสางว่าแลงอยู่สางหลายเมืงสางน้อยไหม เนี่ยมทอขังพระเจ้าดอกก็เป้าเดียวซีคือหาโกดกดกด์อีนี้กด์ก้นนี้นีกดกระดาษคือมือห่อนี่งอสันว่ากิดนึอโกดเนี่เงี้ยนี่นีน้าไมชักขากระชเกโกดน้าไม่ชักขาน่ยไปลื่นไปลื่นเชืองประดับละข้าละข้า เก้าโกดของเรื่องสักการนะ์ล์รื้อรื้อในวัดรื้อในวัดแล้วคนนี้หัดพระในพระตะเก็บเงินใชาไหมสั่นของเขาลือ้อในวัดตอกเก็บไปจะจะของวันของผู้หญิงไปเก็บไดไ้ของอนามาติไปเก็บได้คนเขาพึ้นมาตามหาของเขาบเห็นเขาเชื่เขารักเอา เขาอย่าไงในพระภูติเก่าอกองก้อนมีมันมีในสาท่าเมต瓦คือแตกมีคือสอนสขารบถ้าซูเห็นเครื่องบริโภคของพระรหัสตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดีแค่ผู้อื่นถือเอากรดีต่อปลายจะตีไม่แม้แต่ของนั่นตกอยู่ในวัดหรือในที่อาศัยต้องเก็บไว้เก็บเจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์กดถ้าเก็บกับพระบาอดทุกข์กดถ้าเก็บเพื่อสีเอาปั๊บเป็นอาวัตปารสิทธ เปรนนักสาบยังให้ข อ, อนี่ยเขาได้เก็บเทสเปยกกระบะขึ้นเทสไปยกกระบะขึ้นนักเก้าโกตรคุ่วนละค่าเ ก, าก้าโคดรเทสเปยกกระบะขึ้นไม่ยกขึ้นแต่พราอานนท์คนเดียวเพราะอานนท์แห้งนี่นั่งก็ได้ถามว่าพระภูมเจ้าผู้ข่ารืมของดูมือรุดมาอ้างได้ว่าผูกขา่าเราเรื่องของวัดผสมมันจะเป็นของสงของผู้ขา่าเลยมันจะมันดารื้อมาั ผู้ข่าว่าสามารถที่ะเอาเกนมาดอกอสั่งนั่งเป็นาหลวดาวรันนี่เรื่องก็เรื่องไปะ้่ า, เ า, าวเาเอ า, เ า, า, าเัั่งไม่ซับแปลชี้โกด้นหน้าอิสรวคานไม่ซีชี้โกดผลลุสิทธิ์ทั้งนั้นกอย่า ก, ก็เลยเอามาเอาส่งาพูดให้เก่ามาเอ า, าเอา เมื่อเอาก็ไ่ได้แล้วพระเจ้าข้าท่านดิฉันนั่นเมื่อสกควนสี่เอาขึ้นมาบ้านเรืมในวัดถอยเป็นวัดกะะสะัสท่นดิฉันนกว่าสีดาเลี่ยงเอาทัพยัทุกอย่างไปขายฉันว่าสางวัดท่านจึงขอโง่มาแมันคอยบอกมันจากเรื่องนั่นก่นหน้าจิตขอพระคราบังือย่งยในวัดว่าเอา ของกับของอะไรแค่วาสังก์ตายกันเมื่อไรกับมือห้องเสมอขึ้นหาขึ้นมาหาไม่เห็นกับห้องตายแล้วมูอห้องแม่นบอกไอ้ขุนพนันแน่นบอกแน่นน่นพู่มนางปะโถพู่มพะพุ่มปะโถดาบันเป็นที่สั้นพุ่มปะโถดาบันเบเกียวเลยนี่จะขนขวัดเมื่อว่าจะขนออก เาเรื่องวิธรวมเร่องแลกน่าตาตีแม่นบอกเข้าจมาประคังพุทธการว่าทังพุทธการมจะเลิศทรัพย์ในดินชิ้นในนา้าอันไหนเป็น่นของพระองค์เก่ามดนนาาาม อ, ามอ่างน้นรรเราคนมาเห็นยยัระหน้าพระพาไปขีห์งซื้อเห็ดข้งามให้ยัดีอแบอเปยนเ่ยายงีบอ่ะโยคะหนมันของโตกับแม่นั่นวหนาบูช า, า, าพระพุพะทธเจาพระสงฆ์ของ ขี่กระตกระพุทธพระาระสง์นมพเรื่องมันตัวาราไมองโตมันกับเป็นเพจเนี่ยมาเฝาอยู่นี่แม่นว่าท่านเจ้าเนี่บาดกีว่านมุนก็เฝอขึ้นกันสาราไม่ของโตพื่งโตตัวเดินจนกลมอยู่นึงพระองค์นั้นคนมาเน่าโตเลียนนเโอ้ยเองแห้งเขาเดินจนกลมมักต้นมกงเขาบของม้วนว่า่นเพราะว่า ตัวตุ่มพุงลายได้แอบมาสิแน่กันเอารถูมาใส่เอายฝนาชาตินึงามันก็สุดเปนหวะตัวละมาสินะขอเดินมพอตมางูนู้่มันก็ของมันก็ของวานน่ายของพอเดอานแ่เชาาของามันก็บบยากแล้วต้นแดงเี้นี่สั้งล้งเงนี่มาน เอาเฮ็ดหมเฮ็ดลายมันกเฝอเมอ้าเฝออะ่ห้างกระดูกยื่นมุนี่เนี่ย่มันเดินว่มันถ้ากับมาเอห้างกระดูกย่น่ามันงมันแทใกล้ก้อนบะฮุ่งก็ว่าอย่งเจ้าตายะเกิดตายะเกิดก็เฝอห้างกระดูกย่นี่วัตัวว่างสเฮ็ดเฝอห้างกระดูกยื่นซ่วาหรือว่าอย่างเง้ยตัวมะุงเหมนมันนอกตัวลออแเฮ็ดเยอะี่ยนม่ตัวเรมัดดีร้าย ถ้าจะเป็นหัวมัน ก, ก็เป็นมดเนี่ยเขาเกิดมาเพระพอพุทธศาสนาะอืมพระพอพุทธศาสนาจะพบอยู่สายเอางี้ถ้บารมาีจไปหาสกันสิพ่ อ, อพุทธศาสนะาหาลงในหัวใจนี่หัวใจนี่เป็นผู้ส่พอ่อ พ่อก you know, like ับพ่อเนีแหละคเห็นกเห็นเนยนีคไม่เห็นกับไ่เห็นนีแหละุทธศาสนาองสั่งถ really ้ามาศาสตานาพระสังฆาสรศาสนากันขัใจเรื่องไสมันกยุ่ในใจขัใจพรเรื่องไมันกับไมย่แต่เารถับพลียวอยู่ในหัวใจพระพุทธเรามอมนี้เทสเป็นเตือสัเครืองเตือนน่ือพงราบน่ะทราบอยู่กับท่องหมอยู่กับเจ้าพ้นเจ้ะบุพพนยสั่ งามว่าเห็งามกับบูซาพระเจ้าว่งามกับบูซ่าพระเจ้าเ่ามันนี้ยว่าบูซาเกลียของมือหอเผน้องว่าบูซ่าเกลียดจะขอมันกบบดบนหกตายอ่ะสร้างงอกดีกับูซาของพระองค์เกา่ดีกับบูซาพระองค์เก้ามันก็หมดเรื่องเพราน่ิชว่เป็นมันก็ตายแล้วสร้างงอกแก่เป็นมันก็ยักค่อยละของและอันนี้คือการมัดือว่ากับบัว่าดไดซ้นี้แล้ว ไตโลกราตพวกกื้ศาสนาเขาก็เอาบูซาพระูมิพทะธระสง์เขาบูซาเขเป็นจุบุบูชาเขาสั่งขในตโลกราตเนี่ังหานี่าทรบเอาังหานี่มารับนี่ก็ดีวาสั่งภูาสิบุูซาระภูพระธรรระสงผู้เดียวายบบูซากยาสั่ตัวระว่างี่หขี่กระตือนนอกสั่งพ้นปล่อยทิ่มแล้วพ้เข่าสู้พ้นนิพพานไม่ใช่เข้าเนี่ยกันยืนนี่พายบุงจากบูซาแุบุูซาผู้เดียววะั่ แล้วกดละกายผู้้่ากายกาพผู้คาร์น่สีนอมมากก็ไม่เห็นไม่ใช่ถอมหาสมุทรลอยโกดมหาสมุทรสินอมไป็นขาเป็นทาดพระผู้พระรัพ์ระสงขับขี่รถเยืรถหยับยต้นะไร้ามหมูกไปโยกเืองมอยู่ผมว่าเี่อบยังจะสาราซ้นี่มดไจโลกท่านผู้ข่าวบูชาเพราะผู้พรทัพระสงฆ์ว่าช่ห้องว่าเขาสัว่าใค้บูชาาน่มันนับตาตายอยู่หันไว้ช่นนเนี่ยออกของเขาบูชาบ่บาปบ่บาปจตไหของเขาขยังอยู่ขงเขาก็นอนอยู่ส่วเนี้เขาเขาบูชากินมันสุด บูซาควบจริงบูซาธรรมะควบจริงันเสสั้นเคนม่เป็นแม่คนม่มเป็นคู่งาิกับม um, um, ่เฮ well, ้าเนี them, email, ่ยนเขาสู่คนในฟานวาแบบม่มายากกันเนม่มยากรับสมบัติในแต่โลกทานางมีแต่ม่เฮายากกันอยู่บูซาเพราะตัวนารายคนนำร้ายคนติมถิ่นเนี่แไต่โลกทมันนำร้ายคนวัดนำร้ายเพระคู่พธาตุมาส่งวัดว่างไปพูนเฮ้าแต่เฮ้าว่าไปฟ้าแน่นเราห้อยสาราเนี่จะเขยตั้งขันหลังเฮ้ากับโม่เป็นห้องเฮาบอว่าจะเป็นเดปตายยังงเรากรเห็นม่เฮาให้กองกว้นนั่ ขาเข า, เาเข้าพูว่าจะ เ, เอาเพอมาเอางนี้เลยหลวงสันเอารทว่าอันนี้กับันนึ่นี่ก็ได้พวกระเทศลา ง, ง่า ม, ามจะเป็นตีกใครลูกทห า, านเอาศพมายู่นี่มาหางแหวเอาตาตากรูนอปจีวที่สนองวอนะเฮ็ดองขวไว้แล้วันะเพร่านเห็ น, หนมือเจานี่กองวัไว้แล้วขึ้นนอนไว้แล้วท้ายลูกไว้แล้วซอ้อมขวบแล้นะ เิดมาสาห้ามถ้ำบุญเกิดมาปฏิวัติเพื่อผดทุกข์ในว า, าระทุรานดวมันเสีบวัไม่รอดกินปัจจัยที่ดวมันสิยมารอดกินสนบผู้ใดอะหลวงสันว่าผู้ดใดได้กินร้า น, นี้โกงง่ายท่นผู้ใดเกิดโดนกันน่านตายเท่นนแหละตายกับคนละเถ้าตายก่นอให้ตายข้าพ่อนะ้าตายข้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงสันอรรถว่า เไปน้ำว่าไรเราเแี๋มือเปลี่ยนเคร่องนี่นอยก็เาไปน้ำ่าไรี่น้อยก็เอไปน้ำว่าไรครับต็งเป็นศาพื้นดินก็เอไปน้ำ่าไรปิปแบมือเปลี่ยนเคร่งะเคาะโลกปกปกปกปกมกินซะเด้อมาสัมากินซะเ้อมากินตายยังไหนเขาพูดงนายไม่ย่หันนั่นฝ่ายอื่นๆนะน่นผ้าทางกุศลน้ำฝนมาหันน่วยสวยมาแล้วสายเพศมันจะคา เสมาหัตบริกรรมพระวนาใจใจกลุกลมไหวกระเรา ล, าลงอต่โมหัตตนไหวในง่ามเมืองหุ้ข้อสั้นบัดงามเมืองุ้ข้อเนื่นจังเขิเนกุญญาเป็นค้นไหยยยน้ยะว้วไก่ไว้น้ำยั้วไก่ไว้น้ำเพิยหวังเพิ่์ตนู่สุมือทรพเจ้าสร้างสอนเพื่อเหนือก็ยั่างตกไต่น้าพัดไปข็ยังพลาดมาห้ามอระมานาดแล้วใจเจ้าจะเพลไพ์ หวังใหภูยู่ทั้งหวังหลังทําบุญไหกกวาแสนไก่ล่านโนดตามกระเจอมที่มากกันกล้วยบุญสวยว่าฮอนถึงตายไปไหมเอาไว้กีตตมจมยูดังลือผุสนสิไปฮอนได้แนหันขีขวงแผ่นหน้านั่นสอนจะของนี่นั น, น, นมันทร ม, ม, มาสอนจะของอัไนขี่ไว้ใจไว้ท้างไหนลูกเต้า กูมันแลลวกูแล้วเงินไปหาราชบาตรพะน่ะกูเห็นคนหมุนหัวอยู่ใกล้ศาสตร์ทั้งมึงเห็นบา่าทั้งกูได้มันเห็นมันแบมันคัว้วไปแล้วกูมีเห็นหน้าล้วนเน้ย <c oughs> <c oughs> ยังตัวจากไปยังเวีเอาตั้งแต๊หน้าไม่เียเวอยู่มันจังสิดีอควพระเจ้าพระสงมาหน่อจังมาหาท่านหาจาห้าของเราหัว ถือพระเจ้าพระสงฆ์ูมมิตศรีมิรท่ามกาทรงบุญหาบพเถระเฮ้าเลยลูกหลานผู้อยู่ทงหลังเขา่าท่าในเฮ้าเขาไปข่าวว่าข่าควายข้า่าวเปข่าไก่ขาปูข่าปลาข้าเมื่อกจ้อยจัดแจ้วกับพระถึงเฮ้าขึ้นกันว่าถ้าตายไปโตมรหกกับพถึงถ้าถ้าตายไปเป็นเพลิเป็นผีกับพถึงท่านท่านหากับพระถึงถ้าตายไปเป็นพวกเพลิดซเท่าเีท่ามันจำใค้สถึงไม่เพลิพวกเดียวหร ถ้าหมดอุทิศฐายจึงไปถึงถ้าของเทาถ้ามันบริสุทธิ์ก็ถึงของเท่าบริสุทธิ์ก็แพร่เจ้พระผู้รับทําเป็นผู้ตุศินกล่าวถึงอีกคือกันเจ้าอุทนนิศไม่ถือเท่าฝากของพระนักจิปโกปกิเกัเนี่ยมันไปถึงมันเอาไปกินสามันไปฝากพร่างชนานัดพระภูมิสินไม่ถ่อมมันจะคอยจิตประเสริฐเท่าเทาเป็นพวกเวพียรสำเวอสีกว่าดีมีพวกเวพียรสำเพอสีพวกเดียวเท่านั้นนะผู้ฮอตสิฝากของไปถึงง่าย พระเจ้าพิพามพิสารนี่เป็นตัวอย่าง้าติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมัดจินของสงฆ์นั่งกระพุ่นจะตังพระเจ้าพุทธะคนญาตพระเจ้าพิมพิสารได้เก้าสบสองกัปหละเป็นเพศยุดโดนเนี่ยหลายหมื่นปีในมรหกนับนาปีในมนุษย์หอยนับหลายล้านหลายล้านล้านวันได้ขังพระเจ้าพุทธะ พมันจักพระเจ้ายอมมากังมีประสิทธิ์อยู่ในมีประสิทิ์นี้พุทธะนโเมธะพุทธานังอุปปันนังเลิขังนังโลมหโลใน่โลมาโสลโลโิโ่ปังโลทุติทโรทโนาโคมังโลบริาสมโนสมโนทีโเวโน โสพี่โตคนทรัโนน้งพระีชินุตโตุมโโลกรโตนาโทวรสารีปุตโสาสาโรูมทิพโลชาโตสัโรกโครศีรศนโอาถาษะมโกมาศีตโมนโิาโตตโมโลกเิดจาางะโลกปุตโสจาวาโทพรโลคุณเก้สิบสองกันั่แล้วพระเจ้าองค์หุ่นหัวก็เลยมา รับอันยโสงวางพระโกตรธรรมเขานี La ่แหละพวกนี้กินของสงพวกนี้เป็นเพจพวกสามพระเวสีดูวันดูติดไมาโดนนะปิดคุกโดนนะก็เลยเบามากเบามากเบามาเบามากเบามากก็เลยเป็นเพจพวกสัมพเวสีอยู่หลายครับอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิพิสารเนท่านท่านปาไม่รู้นสวนในภัย ให้เป็นวัดแล้วก็ ang, Ahhh, ท่านเขาท่านหน้ามแล้วเลยว่าพียงคิดถึงเลยว่ารากวัดแกงาัแกพระเจ้าพิพิษฐานขวัญมาโอ้ยกินท่านก็เราเขาทีกยากเาบออุทิศฐาผภูเขาวะไรสักเหตุซุ่งมาจับยน้ําฝาเขามียื้อยังมีมียื่อนเคก็มีเลยไปข้ามกระว่าสักกางครั่งมาจับยื้อนฝา บ้องงเ ต, ต อ, อนนาปานัมหิไว้สวมานีอยู่ในสวนนวลสวับหลวงเขาเลยไปศึกษาพระ อ, องค์เจ้าโอ้แม่ น, แ น, แนมั่นแม่นี้เรามหาวาิทยาได้ไว้ถ้าขังพระเจา้าถ้าข้างพระเจ้าพุทธะผมนะวรับเรา่โตนี่ยม่พระมหาปิะยาเนี่ยถวายเรื่รว่นสวนสะพ้ายเป็นท่านราก็ถวายเขาถวายนาถถวายอรตอันนี้ก บ่วพิคคิดถึงลราคิดบ๊วยพิคคิดถึงเด็จคุนั่นมันก็ไ่ได้่ได้รับขาเจ้าก็เลยมาขอาความฝันมาต่อวามาเกินแล้วมาตองในปาทายห้องผู้ใหพระองค์เจ้าคนนี้เาะฉะนั้นมหาวทยาถ้าบ tamam ุญอุทิศหาขอนาคเพราชนะอาหารจามีกาลังอส่าห์ต่าหาก่าไรม่ได้ทําอีกกรพาะอะก็เลยเด็มาเกิดแบบมาเกิดได้ยมนุษย์พวกไปพวกไปสวรรค์ก็มี เชื <minutes> paid, ้อกรรมและพ้นพ้องกรรมเชื้อบุญและพ้นพ้องบุญเชื้อบาปและพ้นพ้องบาปผู้เชื้อบุญและพ้นพ้องบุญผู้เชื้อบาปและพ้นพ้องบาปไปพ้นสามวันมีแก่กลาวมาแล้วคูยยังบอนเชื่อมันนักอยู่นักหลายอยู่นักหนาพิที่ล่างหับบุญโรคหันจ้าหนรกผู้เชื่อไม่มีบาปมีบุญผูถเชื่อไม่มีบาปไม่ีบุญสามวันนี้แก่กลาวมาแล้ว สอนพูดกันผู้บางได้เผื่กระสอนให้ที่หน้าอเนกเจังทุกครั้งอาตาสันผูดยั่งหน้ายกเผื่นกรสอนให้ยินดีเ น, นี่มันสมบัติสอนสมบัติพมสมบัติตามสมีมสมมส่กำลังสอนพูดบาลมี่แก่ก้าวมาแล้วเอาด้วสามพนันธ์นราบนีโรดตัวเดียวพูดบาลมี่ยังถือป้าไดถือเวทมนตร์คนละคาถาดแดถืออันนั้นได้ถือันี่ได้ว่าโผลกันเอ อาผาหลุกเขยมานกผ้ารเท่าเาผ้าเ่ามานก็พาพผ า, า, ผาลุดเขยอื้นเอาอันอื่นาคกเข่าอภานาเยอะอันอาา น, ออนัน้นยังบารมียังแกยังยังยังไก่เยอะ ย, ยั ง, ย, งยังมหันบางมันผู้บางแล้วน่ผู้บามีสังบารมีบางแล้วถือแต่พุทธนี้ยเดียวเ่นั้เก็บเป็นเนินอุ่นมากคราวัห้าอามา ก, กินถือก็ถือว่าถือก็อกยอมตาย ข้าพุทธตัวโมสังโฆสถานมิสถานล้มยิ่งหลายสวกออกผีว่าสางอันนี้สารพัดโอ้ยมันยัางไก่ด้วยนะย่าไก่ด้วยพวกบามีพระแก่กาวันดอกบัวกับยุ้กเพิ่งหน้ามุขยบวชขันสิเพียงน้ามุขซื้อบุญบาปไม่บุญมันดอกบัวกับยุ้คุณยุ้ใต้หน้าเขหองข้อตก้อเกินเต้าอะงมาเห็นนะบานเี่ยผลน้ำพ่นล่ะฉุนวนากแน่นอน บางที่กับนบางที่กับพรนหลายบางที่เนีคือว่าไหวใจในว่าตาสงสารคือว่าอยากเห็นคุกเห็เบื้งเกิดอยาเห็นคุกหเห็นเบงแก่อยาเห็นคุกเห็นเบืงเจ็บเห็นคุกเห็เบื้งตายคือว่าพระคั่นถึงพระในพรน่มไรเยือว่า ต, ตัวติดคุกเพื่อนพวกนั้นสามวัไม่แก้สามาแล้วทนะามันดอกบวกกัวเขไปตูมแล้วนะ ใกล้คือบาทอะหมื้าหื่นหนึ่งหมื่น้อหมืนนึงเอาตัวพจนว่ามันก็บาน่มันมีรายั้นมันเสียงมีายสั้นมันมีรายสั้นถ้ามาก็มีรายสั้นกบพอมันมันจะสั้นน้ิเขนแล้องจายเื่อเสดแว่า เปลือกรัฟ้าอิสระสังให้สมานส้าพักีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้ควรคิกจำนวนจงใจเป็นไทยจงสิ้นทั่วดินฟ้าเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมยอง่ายเนี่โยเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่ไงอภรรยพระธรรมพระสงฆ์หลวงตาไงกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หวพอยายออมาพมมุทธะรรระคาธรรมวาเท่าทเลประมาณีนะเอาคุ่มด้าน่อมุรมรมรทรุละยังไงนาทีเขาวานาทีเราจุโอนไปมาวางทเอาบุลุ่มไทเลประมาณ น, าเวว น, านะเนื้อรัตเยนะกัดดังร เขาไหวสเขาขอบารมีไหวเลยพุทธทัม้ั้งก้นนะครับทรึงพระธรรมสงฆ์หเอาบริกรกแมกูือมีูมาหวยดังิยบิยบบเเกได้เขาลูกตอยู่ทุกณะอมีูมาหวกูยุสุรักษ์กบ่เขาเอียงเอีงมาทานให้สิขอบุญของกูร้ายสมบริวารตะเกียรได้บุญคุ้นพระคุณพระธรรมพระสงฆ์กูกินขีพนก็อขีพนมาให้กูตัว ปานนั้นมืน่อี้หลา ย, ยตัวกิเลสตัวอันนั้นก็คือว่าจะบุญท้องโก้บุญห้องกูอยูะก่ปานนกเขาจับตัวนั้นกูกูกูกู้ ก, ก, กูอยู่เม่ดปานนั้นเนียเออคอนมามาเห็นว่าผูขาสางขาเปลงเพลงโทษผู ข, ขานันมันถืงลกมรรก40่าตัวพันสามี่ว่าเดียวพันหนึ้งูขามู้คนตงพันวัดแล้วว่าใ่ ผู้ขาคว้าน้ำนี่คือสปีเที่ยาเอาไหนมันคือมคว้ า, า, าน้ำปีเป็นผูั้งคืสปีมันนี่จะควนว่าพันธุ์ผ่านผมมีวมมันเดียวมันเปิดนีนตัวมีกำ ม, มีตูพี่มือยาวมืยมยอย่อตายเกลี้ย<อ>งเสือฆ่าตายอะไรสักหน่อยตองให้กองคว้าแบบนี้เสือฆ่าตายแลย้วเส้นเสือก็ตายอะไรเรียอย่างนี้เส้น ใครคิดาใครคนอุบายอย่นี้ก็มีวนี่และคตายแค่นี้ว่าสั่นผ้าอ่านกันคือตายแค่นี้นันส่วนผ้าไรคตายแคใครก็ไม่รู้ละส่วนผายไรเนาะตายแค่มุรกหรือตายแค่พวกมารุหรือตายแค่สวรรหรือตายแค่วันที่ผ้าไม่รู้ละว่านานาส่วนนี้ส่วนผาอ่นว่าพอใจตัวนั่นกพยอหน้าชามูห้อง ข้าพุทธะเทโมสอโกนอ่ะเขาบอกกายวายสิลกเมืองอะไรลึกใดลึกใดก่าดีย่อมเป็นย่อมตายพราะุพระทสมตืองเมืองอ่ะอันเป็นพุทธะธรรมะธรรมฆ่ามันต่ัวาสอนอันนี้อันนี้ว่าพุทธะมติธรรมะมันตว่านี่ภาค้อแกเป็นอารมณ์มังสิรัติแพุทธะมันสติธมาสติแนตัวอ่ะกพรพอุพระ่าสมพนนี้ ภูพญานาคอันนี้ตังุ้งตังอานอารมณ์นี่ยถขุอยันในตัวอมอยัในตัว่อยันในตัวแล้อพระพุทธเรท่นมาสอนผมสอนเเป็นมีดินเป็นมีน้ำเป็นมีไฟเป็นมีลมอ๋อเขี๋กวขอไรมอีกทนเขาง่ายคิตตลาดกันยืมดินมาใช้ยืมน้ำมาใช้ยืมไฟมาใช้ ยืมรอบมาใส่พราะงจิตตลาดเลยเป็นมีน้ําเป็นมีดินเป็นมีไฟเป็นมีร่มแล้วสุดส่งครึ่งเขาเขามาถามเอานี่ยงาจิตตลาดยืมเขามาใส่ดินไหมอย่งผมผนและฟันหนังด้วเองกระดูกด้วยนกระดูกว่าหัวใจตับฟางผืดแต่ปอดใส้ใหญ่ใส่ร้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีกันธาตุดินธาตุอันใดมีรักษาะแข็งแข็งทางด้านเป็นพวีธาตพัทวิท่านั่นที่เป็นภายในคือเศษขนและฟันนะ ก็คือขนขนเล็บปันนั้นเราเองกระดูกเยอะนะกระดูกมากหัวใจรับพังผูดใตปอดใหญ่ท่ายน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จะเป็นธาตุดีเขายาทิศตลาดไปยืมมากยืมมาใส่ธาตุอันใดลักษณะเ อ, อิบอาบ้าตุนั่นเป็นอาโปธาตุเ อ, อิบอาบมันหไหลซึมไหร่อาโปธาตุนั้นที่เป็นธาตุ คือดีเสร็หนอ้องเลือกเหงื่อบังนคนนมม้น้ำตาเปลียมันน้ำลายน้ำมือน้ำไข่ข้อน้ำมือนี่ต่พ ย, ยัญานะตลาดเยืนยืนธาตุน้ำ ม, มากเย็นธาตุน้ำ ม, มาใสธาตุอะไรนมีลักษณะพัดไปมา้านั้นเป็นวายโยธาวายโยธาที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นบ้างบนลมหาวลม เ, ล, มเลอลมอ้ว ลมจามลมไอลมพัดลมม้างตำ่ำคือผายลมหรือถ่ายอุจจระาปัสาวะลมในท่อลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกถึงอ่างคิดตลาดอยู่เมื่อไส้ธาตุภาในมีลักษณะร้อนถ้านั้นเป็นเตโชธาตุเตโชธาตุนั้นที่เป็นภายใน คือไฟที ch fiz ่ย e like ังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้ชุดโตมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผอาหารให้ย่อยไพ่อยังคิดตลาดจะยืนเข้ามาไฟหนึ่งก็แตกไปละวันีแล้วก็แตกไปดินก็แตกไปเป็นดินเน่าแตกไปเป็นเน้าไฟก็แตกไปเป็นไฟร่มมาแตกไปเป็นร่มไม่อย่าคิดกระดาษตลาดกระเฮ็ดโขงโหยอยู่วนตัวหันอันนั้นของกูอันนี้ของกูอันนี้ของกูมันมน ทุกซุอุเบกฐานขอย่างคิตราดเด่เขามาใช้เกิดข right ึ e. ้นแนี่ยก็แฟปวนยแต่สลายหมันมีอันไหตั่งนี่ได้ร้อยหนงพอย่างชาวบาักบุญเพพ่อมาโดยคือมาไหนนีอันนั้นสั่งตื่นติวมีใจรองดิวรงห้องมจายสั่งอันไหนคือมาไหนอันนั้นสังตื่นตียวมีใจรองดิวรงห้องมดจ่ายเท่าไงลองสั่งวัดตาสองสาลอันส้มนี้กระส้มธรรมะสัมผู คิอทำกิฟตให้เบื่อให้น่าให้ใช่ให้เมาในวัตรุสองสามเลยรองสัตอรรถว่อันอื่นบมดแล้วนี่จะหลอกให้คิดด้วนนยความสวยควา ม, มางามอร่ถให้บุรุษหลงเรียกว่าแม่ ป, ะประโลมโลกจะจะคล้องแลง้วประลมจะคล้องให้ลงมองสัว่าหลงนี่ในวันตาุษองสานออันนี้ก็ยืนเข้ามาใส่อันนี้นก็ยืนเข้ามาใส่ พยานคิดตลาดมีนมีกดรซ่องขึ้นเขายกส่งตัวนนันกแต่ออกไปสปาแต่พยางคิดตลาดอยู่คนเดียวพยาคิดตลาดจะด เ, ดดเที่ยวฟองนันฟองนี้อันนัตอันนี้ตาไปยืมเขามาใส่หูไปยืมเขามาใส่จมูกไปยืมเขามาใส่กายไยืมเขามาใส่น้ำไปยืมเขามาใส่ยัวแงลงอันนี้ก็ไม่ไปยืมเขามัใช่ไหมพยางคิดตลาดของจะของม่ไม่ักอันสพ ป, ปฏิวัติธรรมะ แันไม่มีท่านปฏิวัติธรรมะพรยาคิดตลาดจ้าข่าสิไรเจ้าสิไรสมบัติจัของนั่นแต่เมื่อปฏิวัติธมะกับโคโหวะเลไปมื่เป้าล่ะตายก็ตายไปล่มมรรคหกคนอัสท่สางร้ายที่ไปมรรหกมันเป็นโอกระฟาที่จะเกิดพุดธขึ้นคือห้องนอสวรรค์ไปจนจนจูจนจนรับท่างร้ายที่ไปเมืองสวรรค์มาเ่กัน แต่พบมาโลกมาคือกันกนัน่นแปพเนี้พ้านมกเป็นตันเป็นตัวมกเป็นปูเป็นคน้นเป็นเจาธรรมล้วนๆเราฟูพเ น, นี้ยนว้าธรรมอันเบือ่อนายวาตาสงสารเนี่ยามันเกิดแก่เก็ตายเจ้าธรรมอันว่าตายก็เือจ็ดมีก้มหลงกับของมาใช้าสตร์ก้มหลงกับของทีมาสู่ก็ก้มหลงกับของแต่มันชนะยังไงยังไสนามลบ สนามเรากับกิเลสนี่นี first, beans, <dem> ่ห네ัวใจนี other, uh, ่นะกับชนะกับมีล่ะบวนะกับบวชะกับมีกัตายกัตายข้าวนี่ล่ะเอาคันเห็นบคุณพระาสงฆระสเห็นนี่เห็นผลทางผลศีลผลภาวนาเห็นนี่เห็นแล้วบมาอยู่เนี่ยวงวตัวเห็นแล้วกับมาอยนี่ช่วนี้เห็นแล้วกับมาอยนี่เบิงกับเบิงอันนี้ล่ะคันเห็นแเห็นอย่านี้คันไปหาคคอะรก็เห็นดอกเหนหาเห็นเห็นอะคันเห็นแล้วกับว่าไม่เนวหา ก็จะหามันจะเอามันมเห็นยังหาเป็นเหี้โมเห็นเห็นแล้วก็โมห้อย่งได้นีละมิ้ก็มีอยู่ได้นีละตอผู้นี้กับผู้เทศแล้มันตัวมันกับตัวอะไรหรอมันถืตัวมันมันกับตัวอะไรเกันละมันทืตัวมันเนีดีป่านนี้มันโมจะทามันกับตัวมันโมลุกเทกันทไงแต่มันทาดีไว้ใครจะหาว่ามันทาตัวป่น้กัสร้างมันกบระสักษ์เท่กันหรอมันเป็นพิฆาตมันเองดอกเปนปหาใชไ ชีย่าพายน่อก็ม่ี า, มายในย้เ อ, องเสารมาสขึจับเป็นฐานที่ทีู่่เลยเห็นเองเกียวัดเองพระพุทธเจ้าเ้เทปหนกไวๆเียเทปปันนั่นแหะหาบว่าสมูห้องเทปจำเดียมปันนั่งชง้อไวแน่นบ่นอแหยาบตัวแ น, วกกตตวน่นบ่ทจลูก้าที่จาดปันนั่งชี้ง้อไวเขาว่ากางเงถีบง้อไวอีดียห อืมเขกกันว่าแต่คูหห่หงสก็ระว้กบพียงไม่ไหวกบพียงแต่งไวเป็นเรืงยากเพื่อต่อสะพานไวต่อสะพานมหานม่ช่วลุนล้างไวธรรมเทศนาเทศเดี๋ยวมึมงไ ม, ม่กังวลกคลโมยุดธ์บอยอนโมพรโมผัยมึงไม่เอว่างโดยประกาศอะไรแค่นี้มึงมไ ม, ม่เอว่าง งูม um. mm ีนโมนนโมตระสะว่าฉันนโม้แปลว่านอบนอบเนี่ยฉันเพื่ออะไนอบนอมเน่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งูบ่มีังขึ้นเขาเดียวเขาเนี่ยนโมอยู่ตรงเี่ยกังขึ้นพได้เขารัพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเขารัคุณพ่อคุณแม่คุณครูว่าอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นี่เปรียบเหมือนคุณพระหัสเดี๋ยวว่าเขารัคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มเรียกว่านโม่กันนโม่แปลว่านอบนอมเด้่ยงมันนอบนอมผีเนย ข้อดีข้มดีเขาเรียกโมกแปลว่านอ้นอมแปลว่าเขารบเขารบในทางนวัดศีลวัดเาวนาวัดก็าเรียกว่านโมเหมือนกันเขารบในพีในสังเาเรียกว่านโมพิษสาธิษนโมเขารบด้วยพวกขวาใจพิษมีสาธิษนโ ม, นน ว, ม, นมว่ามันสามารถพิษนโม าพารมันมีอยู่กายเราเกิดเร พ, รพราเหรอผว่าพุทธพนก็เอาก้อนกเกิดก้อนตายมาถามกันสันผานี่เขาตัวสี่ตอบอ่แ ม, ม, ม่นว่าสั่งมันไม่บาปไม่บุญ ม, มั้งเหรอผมว่าอันพูดถามกันก็เอาก้อนม า, อนม า, ามออเอาก้อนบุญมาถามผู้ตอบก็เอาก้อนมาาก้อนบุญไปตอบก็ม่ได้สันผานเลยทีใช้หน้าปากนั่นงงจรงว่ะ วินญาณมีจร er <ary> ิงไหมคระพุ้วินญาณทดสตบวินญาณคณะวินญาณชื่อหาวินญาณขายะวินญาณมโนวินญาณวินญาณทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของมโนวิญญาณผู้ถามกี่มโนวินญาณถามผู้ตอบเกี่อมโนวิญญาณตอบผู้เป็นกรรมการกี่มโนวินญาณเป็นกรรมการเกี่ยวพิบัติถามกันพิบัติตอบปันกันิเนี่ยองคาตอรรถวาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยวเหรอเพราะว่าแ้เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษกกันว่าคนมาฟุตพระธรรมพระสงฆ์แล้วจ้างเอาเถอะ ปกอื้อเขาอ่นปกสัตร์อื่นเขาสถือพูะพุทธศาสนาผสมเขายัางได้เกิดอยู่เนี่ยจะสัสตก์ก้อนเขาถือด้วยท่า น, นเขาะจะไหนมาเกิดวันจะาสตรข์ของก้อนไม่ผอันนี้กับาสังสาราเพราะจะไดนมาเกิดเป็นมนุษเ่อเขาพรทธามบุตรโตเขาก็ขาดทุนเือกันศัสต์ต่างๆอย่แล้วศาตร์อื่นเขาบอเห็นถือพระพุทธศาสนาเขาสามารถเป็นผู้ฮางผู้เมียแก่ผู้โผล่ก็เป็นเขาหาเขาไม่ยังหลุวดวอกจักงอนเหอ แต่ว่าเขาเป็นยังไงเราไ่รู้จักประเทศอื่นเขาซื้อสาปชนะอื่นเขาซื้อหางเขาไม่ยังไงเจ้าเขาหางเขาไม่ออยังไงเขาก็ยังทุ่มสนเสริญประเทศไทยอยู่ประเทศไท ย, ยามืออื่นเขอยากเขาน้ำนาสันไปในประเทศไทยจะซื้อกินว้าไหนก็ได้กินนะสันอันประเทศญี่ปุ่นก็ได้เขาคิ้วกันประเทศไม่ได้กล้าเขมรนึงซะํานี่คุณร่วมวันนี้คุณนอนคว้างอืมเขาน้อาปังทำนี่ไม่ได้กามืองนี้ประเทศญี่ปุ่นก็นเลเขาคิวกันซื้อ นี่มันสิงนีมันประเทศไทยกะว่าฤทธิ์วายาวาขีกรมโมยกระมายอ้ไรล่ะสิ่งนี้ที่จะเป็นประเทศท่านที่หนึ่งเขาในท่อาหารการกินท่านสินเท่ากับประเทศที่หนึ่งเขาก็มีสีรักของโมศุกร์เทนั้นก็เพราะไม่ท่านวัดศีรวัดพระนาวัดเดีนสินฝนท่าสีท่าในพุทธศาสนาเดีรักษาพระุธนาคิตหนึ่งอยู่รวมใในพุทธศาสนาคิจหนึ่งก็ยังดีก็รวมใช้ในศาสนาคิดอื่นศาสนาอื่นๆต่างล้านาสนาคิดก่อนจะว่าย่งไร หาท่านเขาไม่หาพักแต่ห น, นึ่งเนี่ศาสนาพุทธก็ยังดีกพราะหาท่านพูดสีปีสารด้วเทวพุทธเทวส า, านอื่นหุ่นหรือศาสนาอื่นหุ่นตั้งมาล่าหุ่นหรือว่ายังไหนสังนส่งในประเทศไทยมันจะพอมีเมืองเงื่อนกับประเทศรู้ประเทศสมาสัตว์ในประเทศอันสมควรประเทศไทยประเทศพื้ศาสนาพุทธด้วย เนประเทศจีบประเทศใหญ่เเขากับถือศาสนาพุทธกเป็นประเทศสวนี่ันเาว่าถือพุทธศาสาผสมกับมนประเทศสมวประเทศแล้วหลายนิใจเขานี่ว่าไั่นมอสันว่าว่าคักนเยังขเขาใจอยู่ผมประเทศนันสมคว้นี่สกันประเทศจีบประเพศใใจอนี้ประเทศที่ผสมคว้นี่กิบมั่นใจอนี้ั่นประเทศที่รักขโมยสมควันใส่ยืนสอยู่ในเมืองใจว่าช่ล หลวผู้มันนี่ผลาดไหมหงทัางหลายมาประสมกันว่าปกปั้นประเทศกระทูกถูกรกองใช่แม่ปลาในเมืองอมันมันคื่อสุมสอดโจรมันชื่อซุ่มออสมอดผู้ร้ายโจเป็นผู้หน่อยปกปังผู้ใหญ่เป็นหลอกทำไม่ไ้โจรเป็นู้หน่อยอยู่ ก็บ้านหน่แล้วสามกลัวเหรอ้าภาางน้อยก็หา <years> hmm. <ose> ัาษาหนึ่งทำไหกองผู้หมันม่พั่นองค์หนึ่งเพราะว่าโยผู้ไล่มันปยุกตกระต๊อบคุณหมอสั่งมันอยู่ในหัวใจขดหรอสั่งดูนักขดหวุขนแห้รายไั่นมันถึงประยุตกระต๊อบันะมันิกินใหยังมันปรยุก์กระต๊อบพันไวั่งแต่ว่าสั่นกระน้ำชียงหน้าเขาโ่นึ่งกเที่ยวมาก่ถือสภาเขาสั่ มันเกิดเมียน <t> ี่วะเมียนอะไรอะไรหาบาหาบุญยุ่ว่าฝ่ามังแฉ่เห็นเหรอ่หาอยู่ในชิในใจเ่าวันสั่นอ่อยคือหาหลบหาโคดหาหลงอันบ่หลบบ่โคดบ่หลงเนี่ยมันเป็นังไงสั่งถามว่าใจางละบ่เป็นยังไงสั่น้าจิตหน้ใจห่าวบ่ห่าโคดห่าหลงมันจะลดังไงหนาใจห่าบ่บ่โคดบ่หลงมันจะลดังไปัดกระบงัละบ่เออ หลวงท่านเอาหดว่าอ่านี่ปัญหาตอบว่าพระพุทธเจ้ามีความพอใจมีความให้ความหนม่่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความพอใจหรือไม่พอใจี่ว่าขาว่ามีนผู้ได้พระพุทธศาหันนั้นดีในบาปกรเสียผู้ได้ไปทำบา คนพ่อใจนะบ่นเโมทหน้าบ่นเรมืลว่าเรนวางทั้ตัวนวางเงี้ยววางเฉยย่งคิดหางคิดต้งเฉยบ่ภูติศาสรนะมึงเหลือวิสัยคนัเฉยย่โมเหลือวิสัยคนกัดบัวเฉย้วยนต้องเอาซะก่อนว่าเจต่อรอต่อเทียงมันนี่ตัวเพิ่นโถอยู่ปัวมาพักกับปัวไปคือกันพูติเจา้ามบด่ะ บอกห้าเที่ยวบอกข่าวเสดงจเอาพินิฐานเลยกษิตเสด็จกังได้เลยสตวเฮาทายว่าสุนัขขาตัวนั้นน่ะสุนัขขาสิบปวงสิบากลือพัวนั่นมันจะตายยุบไปอย่างคบบางนด้อีกเยอเมือนเลยสัตวมันจะตายยุบ่ปเราไมก็ับไปตายดีเสียงเฮาเสด็อาพินิฐานยังไรอีกเลยสัตว์เฮาเสด็จปฏิหารยังไรอีกนั่นหมดปฏิหารหมาสัตว์คนละองสัอว์ หมอหนึ่งการพนันนนะเมืองสาวตีเป็นชิปหายวายวอดวระเาบอกว่าการเรีนการพนันนี่มันถือิปหายวอยวด้ี่แหล่านมันชิหายเพราะสั่งสั่งเสียงห้าวสีงปฏิหารเชื่ออีกกระเสิฐนว่าไม่รู้สั่งทำไนี่ยฮึฮึฮึหัวโตหัวชักปฏิหารเนี่ยปฏิหารคือย่นะมัวห่าวเนี่ยหม้อทิปคือยีละมูวห่าวลกทิปใจทิคือยีละมัวห่าเขาจับไฟ้กั มันกับ้อคือเป็นของทริปเข้นมันก ah. ับมันกัเป็นของทริปอยู่มันกับมันกับ่ห่างอว่าเข้าเียเล่นเรยนาเรียนบ้าเรีนเบอสมันก็บเป็นของทริปมาทริหายทั้งิมันเหรอนองสัร์อรดถวาาจารยกลพ่อหน้ามูอห้อถ่กุณระธรรประสงค์ยาซิไปเสื้ออันอื่นว่ามันชีวิตสดีพ่พุ่รรมสงเ้ามีเจ้าพ่อคุณพระมสง้าเส่ะ เอาไว้แนใจใ่เอาไว้บนเอื่นเอาไว้บนอือมหาเงารไปหาว่าสั่แลนคือหาสิไตเพระเราก็เห็นว่าว่อันนี้เอาเอาเที่ยง่เอาที่ใงไก่เอาสั่เอาที่ยงก่เอาที่งแล้วใส่มาเชื่อหาบนพระังาใ่เาไว้หาวเขาจะเอาาอยู่เนี่ยใส่มาเชื่อหาบนพระเงาคำว่าเอาใจมใ่เรื่งว่าคนตายมันสังบนพระเป็นบอกว่าชนนตัว คนเนนู้้านไปพ่นพระวาสนาเขาวางสิ่หันน่ข้าเขา้าบ้านยว่าตัวเนี่มัดดีเลยรู้ไหนหัวใจวมันพอไปวาสนาเขาวางิอันนี้วใใจอันนี้ไจใจคืไปเชื่อห า, อา่าั้นคนตายมันไปเป่หั น, หนตว่ากัวใจคนามีาไมไปแย่มาสายตัวมันไปวาถึงหัวนาไปว่บอกไปวา่ามาขับรถขับนี่ไปวะ ขันกายเาั้นไหกามันขับไปวะใจเห็นตัวคนใจมัน้นายมันขับรถเป็นหนอฮอลลว่งใช่ถ้าฮอลล์ว่างเนี่ยเขาลงไนม่พัดดีว <c oughs> ันนี้อืมอีกัน่ไหนีะเอาห้าเนี่ยไฟอันชบใช้อะไรเห็ <c oughs> นว่าห้เนี่ยนับแต่ว่าวันบอนัก ไปว่าเดินตามทางฝึกดวงจะหายเพื่นวันว่า่าเศร้าฮะวัเอาอะไรเอาคิดเอาใจจะของอัมรินบอลอินทร์อันเบียดเบียนคนห้าปัทนาสุขมัทุกคนทั้งหลายปัทนาสุขเนี่ยังสามจีนีปัทนาที่บาดบ่ได้ทำลายบ่เบียดเบียนสืบสักรรม เิาบดอันนี้เป็นพิฆาบดสาคัญที่สุดขอาวลบล่าขาฟันนยู่เนี่ย ก, ก็เพราเพราะว่าเข้ารบตัวหน้าที่บาทิแอ น, นี้ชิ้นหาบริบูรณแล้วโอ้ยลูกนอกนโตลนทวนๆอย่งเนี่ยนี่ก็ยั้งละนันเสะไว้โลดจะต้องเอาไวใ้ใจสาสต์ ว่ต่อให้กุดแกนี่ะผมมีสินหาบริบูรณ์นะการพักการักษาสินหาแต่ตายค่าสินหาแายค่าสินหาเน้ยนะแค้พวกกินพวท่านยีาดรอกันตม่มีสินหาหอกเขากินเขาท่านกับไปอี้ยมทองเขาห่าล่ะจับบเ่ไปถึงเาหอกน้องเขาก็ได้บุญเท่าห่าง เขาทำถือเขาทำเอาถือเขากระเดาบเขาเสียเอียงเขาไม่มีสีหนาเอาตายเขาไตกมลกสลักกระลกไปเขาไปเป็นสัตว์ที่สามสลักกรล่ไปเาไปเมืองสวรรค์สักเไม่ได้รับเาไปพุมมโนโลกเขาไม่ได้รับเพราะอาหารมุอการกรรมนโรกได้อาหารทิพย์ได้ไสวรรค์น่ะ มึงนี่ต้ยตายก็ออกมึงเศ้าแน่นอไอ้ ต, ตายก็วางเที่ยงแ อ, อ, อ่น อ, อนเ อ, อ, อ, อ่อเอ้าขอเ้วขอแล้วคอตายเทเร่อกับเรียกว่าเมื่อร้านหน้าฬิกาเทรื่องแหมืทานเทเื่องอ่ะมันจะของเงาห้านผิดนาฬิกาก็คือว่าอี๊ ข้าพเจ้าซะหรือเปล่าในใลูกข้าอนั้นมันดีกับบูชาพระเจ้ามัจ๊ะว่ชรามันห้องเห่าบูราจะบาปบุญทนนั้นับบบูชาคนของคนเด้ดอกาห้คนบูชาคนเพระผูที่เจ้าเข้าลบบาปบ่เข้ารบเนื้อเข้ารบบาปแล้วเจ้าคนเข้ารบผองบาะมันเอาเมื่อลงลงเมื่อทำ เข้าลบในท่งเวทบุญเข้าลบในท่งปฏิวัติเข้าลบทั้นบาป ท, ทั้งบุญของพระพุทธเจ้าเข้าก็คือกันมาถึงห้างกระดูกในวัดกลางสงสารลายสารไร้ภพอแห้ไม่อยากมาอีกนะปล่อยผู้อื่นเขามา วนตอื่นเขามาเกิดเนี่ยเายดมาเกิดขวางเขาไลมีข้าเขาสู้เขาในผ้ามือห่้องกแก่ตวเนี่เขาด๋มาเกิดแจ่มีั่วขวงเขาหามืห่อทั้งทางนี้อยู่มันสู้ทั้งทางผนของเขานี่ยมันทางไปยังไี่อโขอยู่ควบสุกนี่แหนะโลกเข้ากรทุ่มเทศท้ลบอมีควบสุกนะโลกมันไม่เสร เขาจะเพื่อใคังไงกรพตุมเพื่อยคพันธุ์้ามันตอนเนี่ยเขาไม่ฮักพักเด็อนหนึ่งไม่ใชไหนมเาเกิดแก้แกบตายนะว่าตายทงสานอีกใชเพราะเขาสู้พันธุ้าไในไหวเลยอย่างลูกเลยหลายคนแค่นที่าสิ่งนี้ทศมาศเขามากินแห้งโถเสีย่าค้นระดวงระดวงกุดตื้นมือเศ้ามากห้อ่อมที่ไหเป็นแฉล่แฉ่ของเงี้ยกรงเรียกแม่ตัวเขาสิงนเดียนวาให้พ่อให้แม่เพราะงั้ เขาตาย เ, ย เ, าเล้วเ้ยเรียนพันเรียนเหรอเรีนเทื่องกุลสีพันหาพันอย่งยสุไปว่าอืม้วนั่นก็พ่อไปซื้อรถว่าจะใส่คือพอซื้อรถว่าจะใส่ล่ะขี่วัดผู้สาวเียสุฟูาวาานี่คนดแต่งงานงแต่งงานนะขับมาจกอานนั้นอีกอ งีเขาเสหพ่อหแม่ไ็มงีมนละอันนี้ในหนึ no think, mom, uh, so ่งเาอไร้เดือนมาเนี่ยคูหาานุกผ้าหูกลมือหนึ่งสฝันพอด้วถึงนอเขอมอม่่อกินเสมือนทั้งกินทั้งข้างเี้ยผ้าสีอันนันผ้าสีอันนี้ผ้าสีสังคมผ้าสีอันนันอันนี้ผ้าสีเด่นช่างไก่ผ้าสีสังคมครบวัดเห็นขัน่าคุณเจ้าพญาวันทุกเมื่อในหลวง เุณต้องสอนให้ใส่ทันในานาเถพราะ่นานดแล้วนี่จะมีหอเนะสียงคนอยู่บีก็เงยขึ้นพวกเเล่เป็นพานทเสียงผู้เจา้าเนาะเสียนอยูบีก็งย น, น, นอุปมาเืออกบวกกัตะคกใส่หัวคนคู่ขี้คื่ขี้ยุ่งขี้ยินขี้าพร้อมโยมพ้อ ุ่มไล่าลงอีกอาสาเพียงแต่ห้องเทหล่อาาเพียงแ่ห้องตักโ่เจา้าขี้หูขีป่นะนะครมบพระพุทธเจา้ามาวัดนว่าพุกโกีพรางกันมลกกนโลรคหมาลูกหกพัดพวบาปแปลว่าออกีินหมอไปเท้าพระพุทธเจา้าเห้มาวนว่าพูกโ ร, กรพราบาป ฝันยางน่ะฝันยางนี่ต่อยมือมาสนเอาสันผ้าเสื้เลี่ยสรนเลยนี่นี่ันยังสี่อันเจ้อบ่าใสิพระผาผ้าเดี๋ยวฝันเห็นคนมีพวามฝันยองจัดมา หยูงงอะไรละหายูงงเลือเลือดพายในบ้านนืองมันมันพะมันมันแทะนี่อ่อนเขาปลูกนี่ตลาดข้างเขาเข้าออกมาหาอย่างซีในทางทุกข์ศ้มันก็คือยังเคยเข้าสอนนรกพระเจ้าแต่ทั้งว่าพุทธธรรมประสงค์เห็นแม่วามันขายจิทํามาแล้วมันใกลจิตตแลรวไม่ห่าง เอให้ใ น, านาาสมมยายสงพรายพ่วานา่เนยเหวี่ยงสายพ่อวานาเขาเนอะพุทโทษคดีทั้โม่คดีทังโคคดีคอยภ่วานาให้รับพระพวานาซื้อขึ้นมากวายพระสามที่สะคอนสะโพตยพุทโทษทัโม่ทั้งโคนี่ยพานั่งรัวไหวเพื่อพระนิพพานเลยไปใช้ใช้ว่าเป็นปัญหาหล่กไปก็ไปน้ำพระพุทธประพระสงฆ์เอยูกก่น้ำพระพุทธประัพระสงฆ์ อันไปเป็นของผ้าหนอกันไปอันยูเป็นของผ้าหนอกันดูก็เพราะพระทธเจ้ามาสงฆ์คิดใจเปนสาคัญของผ้าหน่อกันไปกระไรยูกระไรอันไปอันยูผ้าหน่อก็สาคัญเนาะแต่หอวอเมริกาเรืองแห่งกบเป็นปัญหาถ้ใช้กบฏเป็นปัญหาถ้ใช้มันกออกโรกก็ได้เนาะมือหนึ่งสิเรื่งทาเลยตั้งมือกิโลก็าสามีกิเลสยอมันกับบุคคออกโลก มองสัมาพอาเจ้าคนคนจาวกพคุจากความหลงคนมันเกิดมาแจ้มาเจ้มาตายนะพระคุณวมันเกิดมาแจ้มาเจ้มาตายเหรอไปใช้สลายย่ใช้ก็ยิ่งต้องไปใช้ก็ไปต้องขี้ฤตประเทศทยเนประเทที่มีวันธรรมีระพฤติธรรมประสงค์ นี่สมเด he like, ็จพอบรมนาถาเป็นเยื่นยางเถ้าบนทิวทัศน์ของพระผ้าเห็นเยื่นยางเลยอย่าพึ่งกับวัสดุมาพึ่งกับวเกี่ยววัดเบอร์พ่กับเหรีมันเป็นเยื่นยางเลยแล้วสมเด็จพระบรมนาถาเป็นเยื่งยางทั้งคาราวานี้ห้าตแตกอมึ่งหมู่สมบูรณ์เลยนั่นถ้าควยผ่าก่สมเด็จสั้งคาราวาเป็นเยื่นยางเลแหละห้าวตาแตกม่งมู่ แลาบนมี่นัายพระห้าขลาดฝายครู่าอาจารย์ครับร้งูเถอหร้องครูมหาเมืองฝ่ายปฏิบัติเป็นยังย่างห้ามมห้ามอยู่เลยร้องคููใหม่นี่ยมีประวัติมาอยู่ฝ่าปฏิบัติครับเป็นยศ่างช่างวางผู้คนเป็นทักษันขลาดเป็นยางย่างเลยอันนีเล เทระอระไนเระหลายองค์เลยเทระสามารถค้อมูลยย่างอันดีทั้งหาตกไฟลุกห้องอะไรตกไฟปฏิบัติกับมีหลายอยแต่จะค้นตัวเข้าทะรยูรํากันได้มันต่มีคนดีฝนโย่เขาจังยูรํากันได้โหแฉลบนี่จะค้นตัวมืดอย่างห้ยฮันทะอยูได้ตาคันตายมดเนี่ยจังชาไม่เลาท่าน้จมลุกโจมนางเหรอ เาแหงแ้ชาเราะาในกจมลูกกวมนางน้ชาเพาะั่านว่าอ๋อน่ะไม่กินได้กินน้ำก็บพกเปลยนเอาพอ่าให้ดูได้แต่ว่านั่นนม่มก่อนไหนน้งเมื่ปก็นนั่นเองแค่คล้ายแต่ค้ากี่ข้าเงี้ยวเพื่อนเงพยบฏิตายกับอลาเนืองกี่แตกเงี่ยวเหี้ย ตายข้าพ้าวหน้าไปใช้กำไลรูบ อ, องนเอาบูบไเอาอะไรกันชุกๆกันข้าวหน้าไปสะผ้ากัากกนผ้าจะผ้ากันกับมือนี่กั๊บมือหรอพวกววไรกันกับมือนี่กั๊บมือบอเออนันนี่ยกุ้มข้ารถวะล่ะในวอรซัมเนี่ยกุ้มเนี่ยบอกกุ้มขามานเน่บอก ไม่ไหวพระเจ้าเขอามนไง